บวชในพระพุทธศาสนาก็ดีตามไม่จริงสวนราชการในหลวงพ่อว่าอยากจะให้บวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรานะะั่นแหะเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์เพราะนั้นกิริยามารยาทในการเป็นอยู่ของกษัตริย์ อยู่ในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากตลอดถึงการอยู่การฉันการไปการมาการเดินเข้าสู่ชุมชนสังคมควรทําตัวอย่างไรอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกือบทั้งหมดตลอดถึงให้รู้จัก การกาละเทศะบุคคลการชนนี้ควรทำอย่างไรบุคคลชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทำอย่างไรเวลานี้ควรทำอย่างไรเหตุอย่างนี้มันเกิดมาเพราะอะไรยอยู่ในหลักของพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะนั้นอยากจะให้ผู้ชั้นปัญญาชนเข้ามาศึกษาให้ดีอ ย, อย่าไปแบบจู่ห่างๆแล้วก็เยอะเยะ้เ สากถางเยอะเยะ้ยเยอะหยันคนที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาผู้ถือศีลธรรมแปลว่าคนคือคนลาสมัไอ้คนที่ไม่ห่างศีลห่างธรรมเป็นคนที่ทันสมัยทุกวันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะมากกว่าคนที่เข้าวัดเข้าวาคนนี้แหละมีคุณธรรมศีลธรรมนะท่านมีศีลห้านะีอย่างี้หัวเราะฮะโดยมากกิเลสเป็นอย่างนั้น แต่ตามให้จริงถ้าพูดจริงๆนี่สีว่าคุณชอบคุณไม่ชอบมีศินหา้าทุกข้อเลยใช่ไหมคุณอยากจะให้ค่าพ่อค่าแม่ค่าลูกค่าเมียคุณใช่ไหมพอพูดเพียงแค่นั้นก็โมโหขึ้นมาแล้วนี่ยเนอมันจะฆ่าเราเลอเนี่ยเนีหรือว่าอยากจะให้คนทั้งหลายอยากจะให้ขโมยคุณของคุณใช่ไหมถ้าคุณไม่ชอบศินหา้าของของคุณอยู่ที่ไหนจะให้คนขโมย อย่างนั้นใช่ไหมก็โมโหขึ้นมาอีกลูกเต้าของคุณสามีพัญญาพ่อแม่ของคุณคุณอยากจะให้คนปูยี่ปูยำทะล้ำละลาบละล้วงอย่างนั้นใช่ไหมโมโหขึ้นมาอีกพ้นที่สุดก็คือคนที่ว่ายออเย้ยนั่นถ้าพิจารณาดูให้ท่องแท้แล้ว มันเยอะเยอยไม่ลงวมันเป็นความจําเป็นทุกคนจะต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าหาว่าทุกคนมีคุณธรรมศีลศีลธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกันแล้วเป็นสุขหมายความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็มีใครจะทำอะไรออกไปต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าว่าเราไปทำให้แก่เขาอย่างนั้น ถ้าเขามาทำให้เราอย่างนี้ถ้าทำดีเราก็พอใจเราคิดว่าดีแล้วที่เราคิดว่าเออดีแล้วเราควรทำให้เขาเขาก็คงจะดีเหมือนกันถ้าเราคิดไม่ดีไปทำให้แก่เขาเขาก็คงไม่ดีเขาคิด เ, ออเขามาทำให้แกเราเราก็ว่าไม่ดีเพราะนั้นศีลธรรมจริยธรรมของพระพุทธเจ้ามันอยู่กับทุกๆคนควรจะสาเนียย ควรจะคิดไว้ในใจเสมอถ้าว่าคนคิดไว้อยู่อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าโลกทั้งโลกคิดเห็นแก่ตัวถ้าว่าใครผู้ใดก็าตามอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วกิเลส ท, ทั้งหลายหัวร้อยยอดนะผลที่สุดกิตัวกิเลสนั่นแหละอีกสักวันหนึ่งเจอจังๆเข้าขวิ่งโลเข้าไปกัน ขอความเป็นธรรมอจะเป็นธรรมได้ยังไงตัวเองเป็นกิเลสทั้งรุ่นเมื่อใครจะรักษาจิตรักษ า, ษาธรรมตัวเองก็หัวเราะเยาะเขาพอมาเจอเข้าตัวเองเข้าทีขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมตัวเองก็ทําในสิ่งที่ไม่ดีจนพอแรงแต่ว่าเปลี่ยนธรรมอยู่น้อยนึงคข้ายว่าจะให้จะเท่าทำโทษทั้งรุ่นเยอะเกินไปวะงั้นเหรอจะสุดตรงเกินไปอย่างน้อยถึงข้าพเจ้า จะทําสุดตรงก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้านี่ยก็ยังมีทําดีให้แก่ประเทศชาติน้อยหนึ่งโย่ข้าพเจ้ายังเป็นมนุษย์โย่ขอความเป็นธรรม้วยเทินนั่นแหละนะนะแต่ตามไม่จริงตัวเองทําให้แก่เขานขนาดไหนในฐานะ ข, นาขั้นสุดท้ายยังขอความเป็นธรรมอีกขอความเป็นธรรมให้แก่ตนเองนะนี่แหละธรรม คำว่าธรรมานีคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมคือความเมตตาแต่บ่าตามไม่จริงเมื่อตัวเองอยู่ดีมีสุขเรื่องศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมหัวรรยยะทุกวันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตว่ากิเลสเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราเข้ามาศึกษาศึกษาในภาคปฏิบัติศึกษาในการเป็นอยู่ศึกษาในความประพฤต การเคลื่อนไหวการพูดศึกษาหลักของพุทธศาสนาศึกษากระตั้งว่าควรจะคิดอย่างไรถ้าเมื่อคิดดีแล้วถ้าทำออกไปก็ต้องทำดีเมื่อคิดดีแล้วเมื่อพูดออกไปก็ต้องพูดดีเพราะคิดดีแล้วเพราะนั้นถ้าหาว่าถ้าคิดไม่ดีทำออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะเหตุอะไรเพราะว่าต้นตอแห่งความคิดและต้นตอแห่งการกระทาออกไปนมันไม่ดี เพ น, นั้นหลักของพุทธศาสนาท่านให้เน้นลงมาถึงจุดตัวผู้รู้ตัวความคิดตัวใจเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าให้พวกเราได้ศึกษาแล้วจะรู้ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่เป็นหลักศาสนามีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์พูดอย่างนั้นได้เลยสามารถแตะต้องได้เพราะออกมาจากใจตัวผู้รู้ตัวผู้คิด เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเตสอนเป็นวิกตระเบียบเป็นวินัยขึ้นมาอย่างบินทบาทอย่างนี้เมื่อเข้าสู่ชุมชนเราควรทำตัวอย่างไรเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยเราจะไม่เดินเวกผ้าคือไม่พาขึ้นบ่าเราจะไม่ได้เดินไกวแขวนไกวแขนเราจะไม่พูดเสียงดังในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้าน เราจะไม่พาคุมศีษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่เดินกระโยงเท้าเข้าไปในบ้านอันนี้คือคือเข้าไปในชุมชนในเมื่อฉันเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูเราจะไม่ฉันเรียริมฟีปากเราจะไม่ฉันเรียมือเราจะ 60, ไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุ๋ยเราจะไม่ฉันพลางสวัสดมือพลางเราจะไม่ฉันแลบลิ้น อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็สอนอันนี้พูดหลวงพ่อพูดออกมาเพียงบางบางคําที่หลวงพ่อได้จําได้ท่านเองนะที่ละเอียดกว่านี้ในการที่เสกียวัตเพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้พวกเราก็รู้และเห็นแล้วว่ากิริยามรยาดในการเป็นอยู่ในการเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นยังไงแต่หากว่าพวกเราได้ศึกษาแล้วย เราก็จะรู้ได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป่าการเป็นอยู่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อน อ, อย่างที่ว่าเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดอย่างนีน้ทำไม เ, เราก็อ้างเหตุผลทำไมในเมื่อข้าวอยู่ในปากพูดสิมันน่าดูไหมบางทีเพลิเพิเม็ดข้าวกระเด็นไปหาคนอื่นอีกไปหาจานคนอื่นอีกไปหาถาดคนอื่นอีก แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอีกเสียงรัวเรียอะไรก็าไม่รู้มันงามไหมาอย่างนั้นถ้ากลืนซะก่อนจะค่อยพูดดีไหมอันนี้ก็คือพระวิเัยของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วต้อมีเหตุมีผลในตัวบทกฎหมายเลยตัวพระวิเัยนั้นเสร็จทุกอย่างในศินสองยี่2ิบข้อเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาดีแล้วเนี่ยนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเออ หรือกับชุมชนหรืกับสังคมหรือกับสำนักงานของเรานี่ได้ดีที่สุดถ้าเราได้ศึกษาดูแลก็ไม่ใช่บ่าของคือของล้าสมัยนะเอามาใช้ก็ยังทันสมัยอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างข้อมุสาเนะี่ยมุสาทาวเวลมณีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ชอบพูดมุสา คนที่ชอบพูดโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วแต่ 2,000 กว่าปีมันทันสมัยไหมเอามาพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังทันสมัยหลวงพ่อว่านะยังเอามาพูดยังทันสมัยอยู่เพราะเหตุอะไรเพราะทื่คนชอบโกหกเนี่ยมันตอแหลเลยหาความสัต์จริงไม่ได้เดี๋ยวก็ตอแหลไปแล้วก็ตอแหลไหลไปไหลมาจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีท่นนี้ เพความชั่วอย่างอื่นมันจังทาได้มันทั้งที่โกหกต่อหน้ารู้รู้อยู่ก็ยังโกหกได้แต่ความชั่วอย่างอื่นน่ยมันจะทําไม่ได้มันต้องทําได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตดูก็แล้วกันคนที่ชอบโกหกตอแหลทั้งที่ต่อหน้าไม่ไม่น่าไว้ใจพูดอย่างนั้นได้เลยไม่น่าไว้ใจควรระวังเอาไว้คนประเภทอย่างนี้ถ้าว่าเป็น คนที่มีนิสัยหยาบคายก็สามารถที่จะทำความชั่วได้สุดๆว่างั้นเถอะเพราะเหตุไรเพราะเขามีนิสัยไม่ซื่อตรงขาดคุณธรรมสิธรรมจริยธรรมในตัวของเขานั้นะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะตามไม่จริงน่าจะศึกษาทามปฏิบัติเข้าสู่จิตใจของพวกเราอันดับแรกก็คือเนี่ยรักษาใจดูใจพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วว่า การรักษาส่วนอื่นรักษาการกระทำก็ดีการพูดก็ดีอันนั้นอย่างปลายเหตุของมันถ้าตนต่อของการรักษาจริงๆก็คือรักษาใจอย่าคิดไปในทางที่ชั่วในเมื่อคิดไปในทางที่ดีแล้วพูดออกไปกคิดทำออกไปก็ดีพูดออกไปก็ดีเมื่อเราคิดดีแล้วถ้าเราคิดไม่ดีเราฉุนโมโหอยู่ในใจฮะอารมณ์บูดอะไรถึงนอยู่ในใจ พอไปเห็นใครก็เปรี้ยงป้างออกไปไม่มีเหตุไม่มีผลเออบางคนก็เอา้ามันไปโกรธให้ใครมาดึงจะมาปล่อยให้เราเนี่ว่าเออมันเหมือนกับอมอะไรของปฏิกูลมาพ่นใส่เราเนี่วะทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรเล ย, เยก็ะเพาะเหตุนใจกระเพราะว่าในใจของคนคนนั้นมันเน่าอยู่ในใจมันบูดอยู่ในใจมันมีอารมณ์ที่ไม่สุนทรีอยู่ในใจนเหมือ้นเถอะเออมันเห็นใครเมื่อเลยปล่อยออกไป พอปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยก็ปล่อยทางวาจาตาก็ขยิมอีกต่างหากนี่เออพอโมโหให้เขา่โมโหเธอใครก็ไม่รู้ทำโมโหตกคูดจริงๆเอาละ่ะทะเลาะกันไปอีกเนะี่ยเพราะเหตุหอะไรเพราะใจใจเป็นต้นเหตุใจไม่สว่างใจไม่ใสใจโมโหโทโสขุนเคืองอยู่ในใจถ้าว่าผู้ที่ทําใจพิพพพจารณาใจเห็นใจ เอาทำมาก้าสู่จิตใจแล้วก็กลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลเราพูดไปนี่มีเหตุผลยังไงดีไหมหรือไม่ดี เ, เป็นยังไงอันนี้กลั่นกรองให้ดีซะก่อนอย่าปล่อยหมัดออกไปคือพูดออกไปหรือกระทาออกไปแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อได้เห็นในที่ท่านพูดนะให้ครูบาอาจารย์ฟังท่านโมว่าความโกรธเนี่ยไม่ดี พระพุทธเจ้า่าโลภโกรธหลงไม่ดีแต่เราเอาอาการของความโกรธมาใช้มันเกิดประโยชน์แต่เราเออกมาใช้ออกมาจากใจจริงๆไม่ดีแต่เราเอาอาการของความโกรธมาใช้ดีเพราะเหตุไรในเมื่อไปสอนคนก็ดีบอกกล่าวคนก็ดีถ้าไม่เอาอาการความโกรธมาใช้คนที่ฟังก็เฉยๆอย่างนั้น เออไม่กระตุกไม่กระติกแต่ถ้าพอใช้อาการของความโกรธยานะนี่ทำท่าเหมือนกันแต่ใจของเราเฉยเฉยอยู่นะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเอ่ออยอาทำอย่างนั้นนะทํงทำท่ากัดเกี้ยวกัดฟันนะเอาอาการของความโกรธมาใช้นะคนนั้นเขากหไม่ได้เอาจริงจังวะนะเนี่ยผลที่สุดเขาก็ได้ซํานึกซ้าเหนียว น, นี่ท่านว่าเอาอาการของความโกรธมาใช้ มันก็เกิดประโยชน์แต่อย่าเอามาทั้งกิจทั้งใจเอามาใช้อ น, นั้นเสียอันนี้ก็คือพอแม่ครูบายอาจารย์ที่ท่านได้พูดออกมาหลวงพ่อนำมาคิดใจตรองดูแล้วก็อ้ท่านพูดมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ยังวาดพอมันออกมาไม่ใช่ออกมาแต่ ถังวาใจอย่างเดียวออกมาทั้งกายด้วยกำมัดกำมือด้วยออกมาทั้งใจด้วยโมโหชนุนอีกต่างหากว่างั้นเพราะนั้ น, น, น, นธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยแนวความประพฤติธปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลายขั้นมีหลายตอนเพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษาสรุปแล้วนะให้ศึกษาศึกษาธรรมะปฏิบัติศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่า มีสาระมีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเรานําพระธรรมคําสั่งสอนเข้ามาประพฤตินํามาปฏิบัติกายวาจาใจของพวกเรานะวันนี้ก็ให้แนวความคิด อ, อย่างหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอารับพรนะท่ น, นีนะ